ทุกคลักษณะย่อมปรากฏโดยสภาพของตนตามความเป็นจริงคำกล่าวในคัมภีร์อัตถกถาว่าเพิกถอนอุรยาบทอาจทำให้เข้าใจว่าท่านแสดงความปรากฏของทุกขทุกเพียงอย่างเดียวแต่ท่านยังแสดงความปรากฏของวิปริณมทุกขและสังขารทุกขด้วยคำกล่าวว่าใส่ใจการถูกบีบคั้นเนือ ง, งอีกด้วย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 อย่างสำคัญว่าจักรุปราสาท์กับรูปที่เห็นโสตะปราสาทกับเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเห็นมือของตนแล้วสัมผัสหรือสัมผัสแล้วเห็นมือก็สาคัญว่ารูปมือที่เห็นและรูปมือที่สัมผัสเป็นอย่างเดียวกันอีกทั้งยังสาคัญว่าจักรุปราสาส์รูปนั้นเป็นที่ตั้งของสภาวะเห็นและกายประสาท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 และอัตสัญญาเป็นต้นได้กล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงย่อมเกิดสัญญาวิปลาสที่สำคัญผิดว่ามีตัวตนรวมถึงทิฏฐิวิปลาสและจิตตาวิปลาสเขาย่อมทำกรรมที่เป็นบุญหรือบาปด้วยอำนาจของวิปลาสและจะเกิดวิบากขันอันเป็นผลของกรรมต่อมา